พระธรรมเทศนาแผ่นที่92้าบลำดับที่สโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่30สิงหาคม2559มีชื่อเรื่องว่าผีสิงมโนกรรมวันนี้เป็นวันที่30สิบ สิงหาคมพุทธศักราช 2,559 วันนี้เป็นวันแรม12ค่ำเดือน9เมื่อวานก็ฝนตกเมื่อคืนวานนะพอฉันจะหันเสร็จลงพ่อก็ได้ตระเวนวัดไปดูก็ไปเห็นน้ำไปเห็นสระน้ำ ให้ช่วยๆกันไปดูนักศึษาหนึ่งที่หลวงพ่อเขาไปดูมดเข้าไปดูน้ำมันกัดท่อขาดไปหลายท่อเหมือนกันนะช่วยกันคิดว่าจะเอาอยัางไงจะวางรางน้ำข้างบนหรือเปล่าหรือว่าจะใส่ท่อแต่ตามที่จริงไม่น่าจะใส่ท่อนอน่าจะวางรางจะมากกว่านะที่หลวงพ่อไปเห็นวางราง ทำให้วางรางนคงขาดแน่สระน้ำที่หลวงตาท่านเมตตาให้กอรโปรกลางสมัยก่อนท่านขุดให้นะหมดไปหลายแสนนปีนั้นหลวงตาขุดสระน้ำให้พวกวัดเรารวมกันแล้วหลายสระทีเดียวเลยทำไมจึงขุดนะเพราะว่า ตรงนั้นทําเป็นที่นาเก่าขเขามันเป็นร้องอท้องนาพอตกหน้าฝนมาก็น้ํานแช่พอตกนาแล้งมากัมีแต่หญ้าเสียพื้นที่เพระนั้นหลวงพอ่อเลยกราบเรียนองค์หลวงตาหลวงตาเอาสอาิปีนั้นเขเลยขุดซะไปหมดไปหลายแสนมัากันนะลูกหลานนะให้พวกกอโลโพ ก, กลางมาขุดให้ ทาหารมาขุดให้มาขุดในท้องนาให้มันเป็นขุดสะตรงกลางกันยกดินขึ้นมาสองฝากฝังพอสองฝากฝังเสร็จแล้วก็ปลูกต้นไม้เจ้ดิคนไม้เต็มไปหมดเลยเห็นหั้ยประตูม้า่าตะเคียนทองไม้สักต้นละผลละหมากรากไม้ก็มีคลากันอยู่นั้นแต่ดูรู้มีสะหนึ่งเมื่อวานนี้ เห็นแล้วเหมือนด็น้ํามันกัดท่อไปขาดไปสองท่อล่ะหลวงพ่อเห็นนะอันน้พวกกูบาไปช่วยชวยกันดูเอเราจะทําเป็นรางทำเป็นรางอสักรางเสริมกันไหสักรางได้ไหมเพื่อเพื่อมาให้น้ํามันหนักเกินไปอันนี้ก็ช่วยกันดูนะที่หลวงพ่อไปเห็นเมื่อวานมันเป็นอย่างงั้นแหละลูกหลานสมพานสมภาระหลย จะนั่งอยู่ในกุฏิทีเดียวก็ไม่ได้อย่างพอที่จะเดินไปได้ก็เดินตัวเวณนดูจุดนั้นเป็นยังไ น, นจุดนี้เป็นยางนี้ฮะหลวงพ่อมองดูไม่ได้มองเหมือนกับพวกกูบาเนกูบาไม่ไม่รู้จักที่มองหรอกพราะหลวงพ่อสร้างมากับมือทำมากับมือตรงไหนเป็นยังไงท่าน้านี้เป็นยังไงสะตรงไหนน้ำมันจะกัดชาะตรงไหนฮะรู้ ตรงที่มันจะเสียหายนั้นก็ตัวเวรตวเวรดูเมื่อ ว, วานเนี่ยก็รู้สึกว่าน้ำข้าวก่อนเป็นน้ำมาจากทางทางข้างบนบนภูเขาน้ำาครึ่งฝั่งล้นฝั่งแต่เมื่อ ว, วานเนี่ยมันตกในบริเวณของเรามากกว่าก็ทำให้บริเวณของเราเนี่มีน้ำเมื่อ ว, วานวันก่อนแต่เมื่อคืนก็ลงอีกนะ แต่ไม่แรงเมื่อคืนนะออตกตั้งแต่30ตั้งแต่4ี่หุ้มเมื่อคืนนะจนถึงสว่างแต่มันก็ตกกลินพรำๆเมื่อคืนไม่ได้น้ําได้เนื้อของเมื่อคืนนะแต่เมื่อคืนก่อเนิเป็นน้ําเป็นเนื้อจริงนะและก็วันนี้เป็นวันที่30นะคณับนะักศราญาติโยมที่30สิบงหาและก็วันที่1นะ เป็นวันวันที่หนึ่งเป็นวันพระเตือนมันในถิ่นอีสานเหนือของพวกเราเนี่ยเขาจะจัดเป็นวันบุญข้าวประดับดินนะปุญข้าวประดับดินเป็นวันสําคัญในทันถิ่นอีสานเหมือนกับทางภาคกลางและภาคต่างต่างก็ว่าทำบุญเทกระจัดลักษณะอย่างนั้นอ่ะแต่ปุณเป็นประเพณีในท้องถิน่นวันที่หนึ่ง แล้วก็คงคู่บาตั้งหลายก็คงจะบอกคณะทธาญาติโยมมาตักบาตรในวัดนวันตามปกตินะวันข้าวฉากวันเข้าประดับดินบุญเข้าฉากบุญเข้าฉลากกพัดในพรรษาก็มีอยู่สองวันเดือนเก้าดับกับเดือนสิบเพนเป็นวันทําบุญตักบาตรในวัดของเรานี่เขาจวนแล้วนะวันนี้ก็เป็นวันที่สามสิบแล้วแล้วก็วันที่หนึ่งน่ะมันเมื่อเลนเนี่ย พวกเราคงจะออกไปข้างนอกไปฉันที่ศาล้าใหญ่อยากนั่นองอย่างนั้นก็พี่น้องประชาชนก็คงจะมาร่วมกันทําบุญตักบาทอุทิศส่วนกุศลต่อรบรรพชนหรือว่าทําบุญอุทิศต่อบุญกุศลต่อพวกมีอุปกรณคุณถ้าหากว่าเป็นเมืองจีนก็ว่าทำบุญนั่นแหละอะไรวันศสตัตว์ทําบุญ วันชาติจีนลักษณะอย่างนั้นแต่นี่เป็นพวกเราอีสานเหนือตั้งแต่โบราณกาลมาเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้มีอุปกระคุณพ่อพระในพรรษาท่านมาได้ไปที่ไหนจะพระจำพรรษาในท้องถิน่นพะวพันเดือนเ้าดับนี่ก็มารวมกันแล้วก็พร้อมกันก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพชน คือพ่อแม่ปู่ย่าตายายวงสาคนายญาติญาติมิตรสหายเจ้ากรรมนายเวรเป็นการทำบุญทำบุญทิศส่วนกุศลให้กับญาติวันเดือน9กดับวันเดือน10บเป็นอันนั้นเป็นทำบุญฉลากกรพัตก็ทำบุญลักษณะคล้ายกันแต่เป็นทำบุญให้พระสงฆ์จับฉลากคนสมัยก่อนนะจับฉลากคล้ายๆก็ว่าตั้งเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มกัน ชุมวิบานร้อยหลังคาเรือนมีพระภิกษุจำสสรพรรษา10รูปเนี่ยเขาก็หารกันออกมาเขาก็ตั้งมีชื่อขึ้นมา10หลังคาต่อหนึ่งองค์สิบหลังคาต่อหนึ่งองค์เขาก็มีชื่อชื่อเจ้าของหมดพอเสร็จแล้วก็ให้พระสงฆ์เป็นผู้จับฉลากพอจับฉลากขึ้นมาแล้วก็เขาก็อ่านประกาศกลุ่มไหนกลุ่มที่1มีกี่คน ก็ถวายองนั้นละ่ะองที่จับฉลากถูกนะว่าทำบุญไม่เลือกไม่เลือกองค์ใดองค์ไหนก็ได้ที่พวกเราจะต้องทำนะว่าทาบุญฉลากกระพัดในพรรษาแต่พวกเราไม่ได้ทำ เ, เพราะมันอาหารมันก่อนล้นหลามทำม้ยุ่งเหยิงวุ่นวายอีกต่างหากเราไม่ทำในในยุค ข, ของพวกเรากูบาลอาจารย์องค์หลวงตาท่านไม่เคยทำ มีแต่ตักบาตรธรรมดาแต่แต่วันแต่มีการอุทิศส่วนกุศลต่อผู้มีอุปกระคุณอันนั้นคือจำเป็นเพราะพวกเราพ่อแม่ปู่ย่าตายายของพวกเราเรามั่นใจไหมว่าท่านจะไม่ได้รับทุกข์รับตกทุกข์ได้ยากเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วลูกหลานที่อยู่เบื้องหลัง เขาไม่มีอะไรที่จะตอบแทนพระคุณของท่านกาวันลูกหลานไม่มีน้ำจิตน้ำใจก็อย่างว่าน่ะตายไปแล้วก็ตายไปแล้วจะทำยังไงแต่ผู้มีอุปกรณคุณผู้แสดงความกระตันอยู่กระตวเวทที่ตาต่อผู้มีอุปกระคุณมันต้องได้คิดนะ เ, เราเกิดมาจากพ่อจากแม่ท่านเลี้ยงดูเรามาขนาดไหนท่านให้มรดกของเรา ไม่ว่ามรดกภายนอกไม่ว่ามรดกภายในมรดกภายนอกก็คือที่อยู่ที่อาศัยบ้านเรือนที่ดินที่ไร่ที่นาที่ท่านสสแสวงหามาให้กับเราจนเราลืมตาอ้าปากได้นเราไม่ได้ออกทุนออกแรงอันนั้นคือเป็นมรดกตกทอดมาจากปู่ย่าตายายแต่มรดกภายในแล้วคืออะไรมรดกภายในก็ตั้งแต่หัวจุดเท้าเนี่ยเราได้มาจากใคร แต่มาจากพ่อจากแม่ไม่ใช่เหรอเนี่หละมรดกภายในอจังหัวจุดเท้าเนี่ยเราออกมาจากท้องแม่แท้ๆเราไม่ได้เกิ ด, กดมาจากโพรงตน้นไม้จอมปวกเกิดมาจากถ้ามาจากที่ไหนไหนมาจากท้องแม่เนี่แหละอันนี้มรดกที่พันุ์ให้มาพ่อกับแม่ให้มาเราอยู่กับเราอยู่เราก็อยู่เนี่ยไทยทำอะไรต่อไม่อะไร ทำคุณงามความดีปีหนึ่งเราจะระลึกถึงพระคุณของท่านไม่ได้เหรอแต่ว่าเราระลึกถึงพระคุณท่านไม่ได้ขนาดปีหนึ่งก็ยังระลึกไม่ได้ก็จะแสดงว่าเราเนี่ยแย่มากนะอไม่ต้องไม่ต้องใครไม่ต้องพูดหรอกพระธรรมคําสอนของพระพุธทธเจ้านะพระธรรมคือหลักเหตุผลอตําหน่งเราแย่มากเราแต่ไม่ใช่ไม่ใช่หลวกพ่อินพูดว่าแย่มากนะ หลวงพ่ออินพูดว่าแย่มากพวกเราท่านทั้งหลายก็คงจะลุมมา ว, า, าว่าด่าว่าหลวงพ่ออินแต่นี่หลักธรรมคาสอนของพุทธเจ้าเนี่ยหลักเหตุผลนะท่านว่าพวกทําอย่างนั้นแย่มาก <c oughs> เมื่อเมื่อพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบทํากิจของท่านทําธุรกิจของท่านดํารงวงสกุลประพฤตตนให้สมควรควรรับทรัพย์มดรดกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทําบุญ อุทิศส่วนกุศลให้ท่านอันนี้คือบทธิดาบทคือลูกชายทิดาคือลูกหญิงเป็นหน้าที่ลูกหญิงลูกชายของพ่อแม่จะต้องได้คิดอันนี้คือเนี่ย ว, วันที่หนึ่งวันที่หนึ่งตุญญาลาวันที่หนึ่งกันยานี่แหละสิงหากันยาเป็นวันข้าวประดับดินเพราะฉะนั้นเขาให้บอกกล่าวลูกหลานทุกคนนู่ทุกคนนะ ไม่ว่าแต่พวกลูกหลานหะลวงพ่อเองก็มีพ่อมีแม่เหมือนกันนะั่นหลหลวงพ่อเนี่ตั้งจิตอธตถิฐานทุกวีทุกวันเหมือนกันนะเวลาไหว้พระกราบพระทำคุณงามความดีสิ่งใดข้อตามดวงวิญญาณของพ่อของแม่อยู่ที่ไหนที่ใดในอดีตในชาติในปัจจุบันนชาติสิ่งสถิตอยู่ณนถะิ่นใดที่ใดก็ขอให้มารับส่วนบุญส่วนกุศล จากข้าพเจ้าด้วยทุกครั้งด้วยทุกที่เป็นบุญกุศลทุกคราวทุกครั้งด้วยเถิดอันนี้หลวงพ่อก็ได้ทำบุญเออใครเขาแมีจิตใจแพร่อุทิศ ส, ส่วนกุศลต่อมิต่อผู้มีอุปกรคุณตลอดฮะเปิดประตูตลอดผู้มีพระคุณแล้วก็หรือผู้ไม่มีพระคุณก็เถอะผู้ใดที่จะมารับส่วนบุญส่วนกุศลได้ หลวงพ่อก็ยินดีให้กับทุกคนนี่แหละอันนี้ก็คือการทําบุญอุทิศในพระไตรปิฎกมีไหมในเสิ่งเหล่านี้ก็มีเหมือนกันนะเรื่องสมมนเนนแต่หลวงพ่อจำชื่อไม่ได้เที่ยว่ารู้เรื่องแต่ว่าในมาในพระไตรปิฎกมาในธรรมัรทตฐตกถานี่ยสัมมาเนนน้อยคนนี้เป็นคนนิสัยดีมาก อยู่ในถ้ำกลางพระสงฆ์ทางหลาย เ, าเรื่องดู <c oughs> แลคำว่าเกียรติค้านไม่มีสมณีน้อยองค์นี้เวลาตักน้าดูน้าดูปูอาสนะทำอะไรเรียบร้อยพระสงฆ์ทางหลายบางทีโอสมณีน์สวดสรพันยะให้ฟังซิ เดนนน้อยกับ ข, ขึ้นขึ้นธรรมาตเป็นที่ตั้งแล้วก็สวดสารพันให้พระสงฆ์ฟังพอสวดพระสงฆ์ทลางโอเสียงเพราะดีมากสามเณรน้อยพอเนนน้อยสวดจบแล้วก็บอกว่าบุญกุศลที่ข้าพรเจ้าได้สวดสารพันยะในธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าขอให้ข้าพรเจ้าขอให้ดวงวิญญาณ หรือเราวอะพ่อแม่ของเราของพ่อแม่ของข้าพเจ้าในอดีตชาติในปัจจุบันในชาตินี้ก็ดีขอให้เจริญยิ่งด้วยลาบยศสรรเสริญสุขและกับปิญญาณในอดีตชาติที่ล่องลอยอยู่ขอให้มีความสุขเอสุขกายสุขใจที่ข้าพเจ้าได้กล่าวพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านี้อ่ อันนี้คือดวงวิญญาณเทวบุตรเทวดาอินพรมทั้งหลายเข้าก่อนยกย่องอแต่มีจำเนนนะมีแม่คือเป็นแม่ในอดีตชาติทำกรรมอันไหนไว้ก็ใหม่โูกนะท่านมาเกิดเป็นเน่ถลูบแล้วคือคือเป็นผีหัวหน้้ดง่ายเป็นผีน ผ, นผีติดตามสำเนนอยู่ก็รู้ว่า สมมาเนนเนี่ยเป็นลูกของตนเอง เ, อเวลาสัมมาเนนให้พรสึ่งไหนก็ผี <c oughs> วิญญาณก็ <c oughs> วิญญาณผู้ติดตามนะก็ซาทุในใจสัมมาเนรรนทามาไหนสมมเนนก็บอกเออให้ได้รับส่วนบุญส่วนกุศล น, น้ า, าพ่อแม่ของข้าไปเจ้าในอดีตชาติาดวงวิญญาณก็ซาทุในใจมัน ทีนี้เวลาสัมมเนนจะแสดงธรรมหรือว่าสัมมเนนที่จะกล่าวบทธรรมเนี่ยเทวดาจะมานั่งฟังเขาก็ต้องหลีกกลีกให้โยมแม่ให้โยมแม่ของสัมมาเนนที่เป็นที่เป็นดวงวิญญาณที่เป็นผีเนี่อแต่มันไม่ใช่ผีที่ต่ําต้อยคล้ายๆว่าเทวดาเนี่ยก็เหมือนเหมือนกับผู้วาราจการจังหวัดนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราช ก, การจังหวัดมานั่งล้อมรอบแต่พอเห็นแม่ของสัมมาเนนที่เป็นบ้านนอกนะพวกนี้นก็ต้องหลีกให้เพราะว่านี่คือแม่ของสัมมเนนะดวงวิญญาณก็ได้รับเกียรติเขาให้เกียรติในการมาฟังธรรมจากสมมเนนพอต่อมาแต่นีงก็ทำอย่างนั้นมาโดยตลอด ทอต่อม า, อาสำเร็จอายุสิบเจ็ดสิบปดปีทีนึอยากจะเซิรบางเนี่ยออพออย่างท่านยังไม่ได้สำเร็จมรรคสำเร็จผลใช่ไหมล่ะยังเป็นสำเร็จยังเป็นปุถุชนอยู่ออพออายุสิบแปดสิบเจ็ดสิบแปดปีก็คงจะจิตใจก็คงจะสงนอกอย่างวานะก็คงจะไปรักออผู้หญิงไปรักสาวอย่างวานเะพราะมันคึกขนองขึ้นมาล่เออมันธรรมชาติของมนุษย์ ธรรมชาติของสัตว์ทีระชานธรรมชาติของสัตว์โลกต้องเป็นอย่างนั้นนะตอนนี้กระบออยากสึกหมดอะไรตายอยากบริคงบริคานกาวคำสาธยายอะไรก็หมดหมดที่จะกระตือลือล้นปวดง่ายๆผลนิสุตรก็เลยเข้ามาหาแม่มามาผิดปกติเพ่อนั้น พอมาหาแม่ตามปกติเนี่ยจะมาพาหมู่พาเพื่อนพาครูบาอาจารย์หรือว่าพาคนที่ที่รู้จักมักคุ้นมาบ้านแม่แต่มาวันนั้นมาตอนเช้ามาแบบเศร้าบองอ่างนั้นแบบปวดอะไรตายอยากเหมือนกับ น, นกไปถูกปีกหักมาเปียกปอนมาลักษณะอย่างนั้นแหละเข้ามาลกแม่ก็แปลกใจ แม่ที่เป็นมนุษย์เนี่นะเอ๊ะลูกทําไมวันนี้มาถึงทําเป็นอย่างนี้ละ่ะไม่ทาไมไม่มีหมูมีเพื่อนมาด้วยละ่ะแม่ลูกทางลูกชายเขาบอกโอมผมเนนอยากจะเซิกคุณแม่เหมือนนโอ้ยเึกไปทําไมลูกเอ้ยเป็นสมาเน็นี่ยดีแล้วเอแม่นี่ทุกยากลําบากขนาดไหนกว่าจะได้ครอบได้ครัวกว่าจะเลี้ยงลูกเลี้ยงครอบเลี้ยงครัวเลยมันมันไม่ใช่ธรรมดาแนละ้วลูกนะอะลูกเนี่ยไป เหมือนกับเป็นอิสระโดดเด่นแล้วอยู่ในพระพุทธศาสนา อ, อมีแต่บำเพ็ญคุณงามความดีมีแต่สร้างบุญสร้างกุศลแม่เองก่อยินดีเ อ, อ, อุปโภอุป โ, น, โนากับลูกๆจะตลอดเวล่ำเวลาแต่ทําไมลูกจึงคิดอย่างนี้โอ้ไม่ไหวแม่อยากจะศึกมากเนี่คนอยากศึกไม่ฟังคำใครนะคนอยากจะศึกนี่ยนะเ อ, อเอาดันทุนหลังลูกเดียวทําแม่ก็เออถ้า ง, งั้นก่อให้ลูก นั่งนั่งอยู่ก่อนนะเดี๋ยวแม่จะทำอาหารยังไงก็ให้ทานอาหารจะก่อนนะยังค่อยกลับไปนะลูกนะทางลูกชายนกันนั่งอยู่ตามลำพังนะเอ่อเทนีดางนางด ว, วงวิญญาณ น, นางผีเนี่ยว่าโนไปที่เป็นแม่ในอดีตชาติเนี่ยเออไม่เห็นลูกชายอยู่ในวัดพอมาเห็นแล้วลูกชายไปไหนพอที่ไหนได้ตามหาลูกชายพอมาเห็นนั่งอยู่ในบ้านของแม่ แม่มนุษย์เนี่ยก็รู้แล้วว่าลูกชายอยากจะศึกอที่เป็นสมมณเณรอยากจะศึกอดวงวิญญาณนะไม่ได้ลูกชายจะศึกได้ยังไงเ อ, อเราในมีหน้ามีตาในเทวดานเ อ, อเทวดาทั้งหลายให้เกียรติเราแต่นี้สมมณเณรจะศึกอย่างนี้เนี่ยตายเราจะไปหน้าไปไว้ที่ไหนผีก็มีหน้าเหมือนกันนะผีก็กลักวเสียหน้าเหมือนกันเหมือนกันนะ ก็นี่พอจากนั้นผีจากนั้นเลยเข้าสิงมันเข้าสิงสมณเณร น, นะอพอจากนั้นสมณเณรง่ายทน้นลงไปเพราะดวงวิญญาณเข้าไปเข้าไปสิงไล่ไล่ดวงวิญญาณเก่าของสมณเณรออกใช่า ล, ล่ะแลว่าผีสิงผีสิงในี่คล้ายๆกับว่าผีนี่อํานาจมีอมาํานาจเหนือกว่าเหนือกว่าดวงวิญญาณกับมนุษย์คนนั้นคนๆนั้ น, น, น, นเข้าไปแทรกอะไรอย่างเงี้ย วิญญาณคนนั้นก็ออกไปผีที่นี่ก็เข้าไปแล้วก็แสดงอากับกิริยาพูดยาพาทีเหมือนภาษาผีอะไที่นี่ก็พูดว่าพอน น, น, น้อมลบตูมเลยสัมมณเหมือนกัน น, งงนะอพอผีเข้าไปสิงเนี่ยหมดสติมาดังปู้แม่กำลังทำอาหารอยู่กาลังจะทำข้าวให้ลูกทานอยู่ให้ลูกฉันอยู่นะเป็นสั ม, มนเนณีวิ่งออกมาจากในครัวเลยออมากับ ก็โดดซ้อนเข้าไปแล้วกอดลูกเลยวันงันแต่ไม่หวถาวรเนรแล้วมันกันหรอแม่กับลูกใช่ไหมละ่ะอก็โดดเขาไปกาะแโอ้ลูกเป็นอะไรลูกเป็นอะไรเอแม่กําลังจะทําอาหารอยู่แล้วเอแต่นี่ก็ตาลีตาเหลือกผีมันก็พูดอีกแบบหนึ่งเอบอกว่าสึกไม่ได้เอต้องอยู่ในพุทธศาสนาเท่านั้นมันก็ว่าพวกนี้นก็ขออ่อนขอยอมเอขอพูดกับนั่น่ดวงวิญญาณนั่นไ อผลในโสก็เลยผีท่า น, นก็เลยออกไปฟิน ญ, ญาณแม่ก็ถอยออกไปท่า น, นนี่ชํานรเอาว่าบอาจจะมาเป็นอะไรแม่โอ้ยลูกเมื่อกี้เนี่ยพูดอย่างนั้นเพ้ออย่างนี้อย่างนั้งงนลูกอยู่ต่อฉันลูกก็เน็ตัดสินใจเอ้าอยู่ก็อยู่แม่อะไม่ศึกก็ไม่ศึกแล้วนะจดุดอยู่ต่อไปอีกก่อนพออยู่ต่อไปท่นนี้ก็ตั้งลําใหม่ตั้งต้นตั้งลําใหม่ พอตั้งต้นตั้งลำใหม่ท่านก็เลยภาวนาท่านก็ได้สําเร็จเป็นพระรหันต์แน่ๆนั่นะมันกิเลสมันเข้ามาแทรกเป็นบางครั้งเหมือนกันนะอจากนั้นท่านก็ได้สําเร็จเป็นพระรหันต์ท่านภาวนาของท่านนี่แหละเรื่องสมณเนนมาในพระไตรปิฎกนะลูกหลานนะที่หลวงพ่อพูดให้ฟังนะก็นะ <c oughs> <c oughs> ว่าผีสิงมีไหมโปหลวงพ่อจึงไม่ปฏิเสธเพราะอ่านตํารามาแล้วหลายเรื่องที่ผีเข้ามาสิง ขนาดพิกษุกําลังลงอุโบสถลงปฏิโมกข์อยู่เอพิกสุมีผีสิงผีสิงพิกษุนะเอท่านก็นยังให้เลิกเลิกลงอุโบสถปุไปไล่ผีซะก่อน <c oughs> มันมันก็มีอยู่นะในพระไตรปิฎกนะลูกหลานนะแปลกแปกเหมือนกันนะต้องไปไล่ผีซะก่อนอถ้าว่าผีอต้องการกินเลือด อก็ต้องเกียรเลือดให้ให้ผีกินได้ไม่เป็นอาบัตนแต่ตามไม่จริงเพิกษุดื่มกินเลือดของตนเองขนาเลือดตนเองนะเลือดอยู่ในปากตนเองนะไม่รู้มันเข้าไปในคอเลยังปรับอาบัตทุนละใจนะอาบัตหนักนะอาบัตหนักทีเดียวแต่ในท้าว่าผีสิงเนี่ยยังกีดเนื้อกีดเลือดให้ผีกินได้ไม่เป็นอาบัตเพราะไม่ใช่พระกินไม่ใช่เนเนกินไม่ใช่พระกินนะ ผีกิ่นท่านวางันนะอันนี้ก็ในในพระวินัยน ะ, ะหลวงพ่อได้ได้ศึกษาในพระวินัยของพระสงฆ์เพราะฉนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้แหละที่เราไม่รู้เราไม่เห็นดวงวิญญาณนะในหละครพุทธศาสนามันมีนะเพราะฉะนั้นท่านจึงทํา เ, เวลาเราทําบุญทุกครั้งเราจึงอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพชนคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายในอดีตชาติของเรา เกิดชาติที่แล้วเราก็มีพ่อมีแม่เหมือนนะี่เราไปเกิดเป็นควายเนเราเกิดเป็นควายก็มีพ่อแม่ควายเหมือนกันนะแต่พ่อควายคงจะไม่เทาไารยแม่ควายเนะต้องเลี้ยงลูกใช่ไหมละ่ะเราเกิดเป็นหมาเนะี่ยพ่อหมาก็ไม่เท่รมารย์ alnız. แต่แม่หมาด้เลี้ยงเลี้ยงลูกใช่ไหมละ่ะถ้าว่าเกิดเป็นคนทั้งพ่อคนทั้งแม่คนเนี่ยเลี้ยงลูกนะแต่พ่อก็ยังไม่ไม่เหมือนแม่นะ แม่น่จะรักกว่าลูกรักลูกกว่าพ่อนะในในครั้งพุทธกาลนะลูกศิษย์พระมหากพระมหากัจจายนะนพอพระเพนเพนพระมหากัจจ า, นะ า, ายนะไปบินทบาทแต่ตัวเองเป็นลูกเศรษฐีนั่งนั่งรถไปกับบริวารห0 0ร้อย พอไปเห็นลูกไปเห็นพระมหากัะจายนะบิณฑบาตโอ้โหพระองค์นี้ทําไมสวยสวยงามมากสงา่างามจริงๆพระองค์นี้ถ้าได้ถ้าข้าได้ถ้าข้าได้เมียอย่างเอภรรยาองค์นี้มาเป็นเมียเนี่ยคงจะดีมีความสุขเอยากได้พระเป็นเมียอีกต่างหากได้คนมันกิเลสไม่ใช่ธรรมดานะตอนี้พอคิดเท่านั้นแหละตอนนี้ตัวเองกลายกับกายเป็นผู้หญิงเนี่ยมีนะในครั้งมาในพระตไตรปิฎกเหมือนกันนะ ลูกศิษย์พระมหาการยานะพ่พอกลับกลายเป็นผู้หญิงตายข้าเลยเป็นผู้หญิงว่ะพอเสร็จแล้วก็พ่อไปอาบน้ํารบตัวมากมันมีน้ําปะ่าใช่ไหมไม่อยู่น้ําก๊อกในบ้านใช่ไหมเขาจะไปอาบน้ําในท่าน้ำเม่น้ำนะํำพ่อตัวเองกลับกลายเป็นผู้หญิงก็หนีจากบริวาร น, นะหลบหนีไปพอหลบหนีไปก็ไปเห็นพวกพ่อค้าเกวียน เขามาทำมาค้าขายในต่างประเทศขออาศัยขออาศัยพ่อค้าพ่อค้าเกวียนเขาขอจะไปเกี่ยมญาติคงจะนันหนะคงจะหาทางออกกัวเองนะไปบอกอายเหมือนกันพ อ, อเส็แล้วก็หนีออกจากเมืองหนึ่งเลยไปอีกเมืองหนึ่งพอไปเสร็จแล้วนะไปอยู่เมืองนั้นเศรษฐีเมืองนั้นเห็นก็เลยแต่ง แต่งเองอินางเนี่ยแหละที่มากับเกวนะให้เป็นลูกเศรษฐีเป็นลูกสะภ้ยเศรษฐีัหนือนกัให้ลูกชายเศรษฐีแต่งงานพอแต่งงานท่านก็อยู่เขาอยู่เป็นผู้ชายแต่นี้แต่งงานกับเมียนะได้ลูกสองคนไปอยู่ทางโน้นอีกเอไปแต่งงานกับผู้ชายทางนน้นอีกได้ลูกอีกสองคน <c oughs> มาเนี่ยลยผู้หญิงสองเพศกหมืนั้นบาปกรรมมันให้ให้ผล พออยากจะได้พระมหากระจายยานะมาเป็นเมียตัวเองเลยกลับกลายเป็นผู้หญิงในเดี่ยวนั้นเลยเหมือนกันนะ <c oughs> เป็นบาปยังไงความประมาทมนโนกรรมมันเป็นบาปเหมือนกันนะลูกหลานนะอคิดไม่ดีคิดไม่ถูกต้องนะมันเป็นบาปได้นะมามโนกรรมการคิดทางใจก็เป็นบาปนะจากนั้น พ, พอเพื่อนทางนี้เขาก็โอ้โหแสวงหาว่ามันหายไปไหนวะ มันตกน้ําตายก็าลงคว้านอกไปหาในน้ําไปลอยไปคอยอยู่ทั้งนู่นะ่ะมันจะ ม, นมันคงจะฟูขึ้นมาบางคนตายหลายวันไม่เห็นหายเงียบไปเลยมกันจนทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้คนตายไปบอกหมดอะไรตายอยากแล้วไมันรู้หายไปไหนลนะเขาก็ทําบุญอุทิศส่วนกุศลตามประเพณีที่ว่าคนหายศักดิ์สูญไปแล้วเราก็ทําบุญให้ใช่ไหมล่ะไ อ, อ้นอางนึนกกรนู่นแหละไปอยู่อีกเมืองหนึ่ง พอจากนั้นคนเมืองนี้ไปคนเมืองนี่เป็นเพื่อนกันะเป็นเพื่อนสนิทกัน่ะเป็นเศรษฐีด้วยกัน่ะไปขนสินค้าไปขายพอสมุชาทางขายทางอีกนางนั้นน่ะอยู่ทางเมืองนู้น่ะกุงสวัสดีเมืองพาราณสีน่ะพอไปแล้วก็อีนางไี่ได้ยินว่าเพื่อนจะมาเขาจะเป็นพ่อค้าใหญ่นําสินค้ามาขายในเมือง ทางอีนาเนี่ก็พูดกับผัวว่าเออฉัน้รู้จักเพื่อนคนนี้อยู่นะคนคนนี้อยู่นะเป็นพ่อค้าเนี่ยฉันอยู่มาอยู่ในเมืองกรุงสวสรค์ถีเนี่ยรู้จักกับเขาอยู่แต่ฉันต้องการต้องการพบกับเขานะต้องการพบกับเขาทางผู้ผัวก็เออเออต้องการพบก็บได้เอเขาก็เลยจัดนาอีนาเนี่ย จัดสถานที่ตอนรับก็เหมือนกับห้องรับแขกลักษณะอย่างนั้นหลังก่อนรับแขกก็มีสามีมีอะไรมาด้วยเทเน่ก็เขาก็ไปเชิญนั่นนะเชิญพ่อค้าจากกรุงสวรร ธ, ธีเศรษฐีเนี่ยบอกว่ามี เ, เศรษฐีบ้านเศรษฐีมีแม่บ้านเศรษฐีต้องการพบกับท่านเ อ, เอตัวนี้เศรษฐีกรุงสวรร ธ, ธีนี่ก็งงเหมือนกันนะงงแตกเออเป็นใครนะ เราอย่างระลึกไม่ได้ว่าเป็นใครปะเอานื่ว่าเขาได้เชิญไปแล้วก็ต้องไปปะ่ะก็เอาบริวารของตัวเองไปด้วยอย่างนั้นแหละกลัวเขาจะจับเรียกค่าไถ่เหมือนกันนะเศรษฐีใช่ไหมละ่ะ <c oughs> ก็ต้องระวังและเวียงระวังตัวอ พ, อพอไปเสร็จแล้วก็ขึ้นไปในห้องเขาก็ต้อนรับแบบอย่างดีอะรอยงั้นแหะต้อนรับเพื่อน่ะอพอได้ต้อนรับเสร็จแล้วเขาก็ถามว่อคุณจําฉันได้ไหม เศรษฐีก็งงไปจําได้ยังไงเป็นผู้หญิงใช่ไหมแต่ก่อนฉันเป็นเพื่อนของคุณนะเอายิงงงใหญ่อีกทีนึ่งทำไมมาพูดอย่งงางนี้วะเป็นเพื่อนได้ยังไงเป็นเพื่อนที่ไหนวะ เ, เธอคุณรู้ไหมว่าเศรษฐีที่เป็นเพื่อนของคุณเศรษฐีชื่อว่าอย่างโน้นอ่ะอที่กรุงสวัรถีเนะี่ยที่เป็นผู้ชายเป็นเพื่อนกัน เอ้าก็รู้เลยสิแต่ทำไมคุณเป็นผู้หญิงล่ะกับผมก็ไม่รู้เลยสินั่นแหละดิฉันเนี่ยแหละเป็นเพื่อนของคุณเป็นผู้ชายดิฉันเห็นพระมหากัจจายยนะอมาบินธบาตตอนเช้าทฉันขับรถออกมาสวนทางพระมหากัจจายยนะเนี่ยท่านโอ้โหสมณะคนนี้เนะี่ยท่านนี้นะเนี่ยทำไมผุดผ่องสวยงามลวเกิน ถ้าข้าได้เอามาเป็นเมียคงจะดีพอคิดเท่านั้นแหะตัวเองก็เลยกลับกลายเป็นผู้หญิงพอเป็นผู้หญิงก็ไอ้คนนั้นจิตฉันก็หลบหนีมาเนี่ยมาคะนมาได้แต่งงานนี่แหละมาอยู่ที่นี่้วโอ้โหเนี่ยใช่พูดอะไรถูกหมดเลยแต่เนี่ยตาตๆบาปกรรมมันถึงขนาดนี้เชี่ยวเหลือดเลยในเพื่อนเอ้ยถ้าอย่างนั้นได้ยินว่ามหากระจายนะกำลังอยู่ในเมืองนี้อยู่นะ เอาไหมผมจะพาไปเอนิมนต์ท่านมาโอ้ไม่ได้ อ, อายท่าน่หมอไม่ต้องอายอายไม่ทําไมเอผมจะเป็นสื่อให้เองเออเอาถ้าว่าเป็นสื่อให้ก็ได้ฉันนี่ก็อยากจะปลดบาปปลดกรรมเหมือนกันนั่นแหละทิ่ฉันคิดไม่ดีจริงๆจากนั้นเศรษฐีท่านนี้นก็เลยเป็นไปกราบพระมหากัะจายยนะพระมหากระจายยนะกัรู้เศรษฐีคนนี้เป็นใครอยู่แล้วใช่ไหม ก, กุงสวัสดีนะ ตระ ก, กูลนี่รู้อยู่แล้วพระมหากระจายชนะกับมาพร้อมกับพระสงฆ์ก็ให้นี่แหละให้ใหอผู้หญิงคนนี้แหละเข้าไปกราบไปกราบมาพูดความจริงให้ฟังว่าคิดยังไงก่อนที่จะเป็นอย่างนี้อพระมหากระจายชนะเออเอาอยัางไงล่ะขอโอโหสิกรรมขอพระพระพูทธเป็นเจ้าโปรดโอ้โหสิกรรมอย่าได้เป็นบาปเป็นกรรมลวยเถิน ได้คิดไปมันผิดแล้วมหากัะจายชนะก็เออเอาเอวังโหตุเอวังโหตุขอความปรารถนาแล้วความเอาโหสิกรรมที่เธอได้ประมาทพลาดพังสิ่งที่มันไม่ดีคิดไม่ดีทำไม่ดีพูดไม่ดีเรายินดีเอาโหสิกรรมให้ทุกอย่างที่นั่นนะแต่ให้จำหรวมระวังต่อไป พอพระมหากขจาะะยานะให้โอโหศีกกรรมท่านนั่นน่ะตัวเองกลับพบเป็นผู้ชายขึ้นมาอีกทีนี่โอ้เป็นผู้ชายขึ้นมาอีกทีนี่พอเป็นผู้ชายขึ้นมากันไปพูดกับผัวเลยป่านนี้ออ่ผู้ชายากับผู้ชายจะไปอยู่ด้วยกันยังไงแต่นี่นี่ฉันข อ, ขอกลับไปบ้านแล้วมาเป็นผู้ชายแล้วทั้งผู้ผัวก็ไม่รู้จะทํำยังไงเออทีอผัวอีกผัวใหม่นะ เลเอาไปตามนั้นอะ่กะการอนุญาตพออนุญาตเจอแล้วอเราเนี่ยเกิดมาชาตินี้เป็นทั้งผู้หญิงเป็นทั้งผู้ชายวะเออข้าจะบวช ด, ดีกว่าเอาข้าไม่อยู่แล้วอาจนั้นก็เลยไปขอบวชกับพระมหากัจจายนะณะเอีขอบวชพอบวชเข้ามาเธเนี่ยพอบวชเข้ามานี่ยล่ะพระองค์นี้หละ่ะ เป็นทั้งผู้หญิงเป็นทั้งผู้ชายใชนะ่ก่อนตากรอเป็นผู้หญิงตัวมาเป็นผู้ชายเมื่อเป็นผู้ชายก็ได้ลูกสองคนเป็นผู้หญิงก็ได้ลูกสองคนไอ้พระน้อยพระหนุ่มคนพอบวชเข้ามาเ ก, ก็ดอดดอดไปถามเลิไอ้กูบากูบาไอ้สมัยเป็นผู้ชายเนะี่ยลูกสองคนนะกับผู้หญิงเป็นลูกสองคนรนะักใครมากวะเขาไปถามเลยไปถามความในใจว่างั้นเถอะ พระองค์นี้ก็บอกว่าโอ้สมัยเป็นผู้ชายก็ลูกลักลูกก็ลักอยู่แต่ไม่เท่าไหร่แต่ลักจะไมเป็นผู้หญิงเนี่ยได้ลูกสองคนโอ้ลักถึงจิตถึงใจจริงๆนะ เ, เหมือนกับเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของตนเองจริงๆรักจริงๆไนะอทีนี้กับคนนั้นก็พูดคนนี้นก็พูดดังกระสอนไปทวนวัดป่าเชตตะวันลบาด ผลนิสุดอ้าให้คนบ้าเนี่ยพราะตัวตัเองได้พูดไปมันมันเรื่องข้างในเอามาพูดข้างนอกใช่ไหมเขากดสนตนาไข้พผาอง์ไหนที่ว่าเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายใช่ท่านก็หลบไปอยู่ในป่าหลบห ล, ล, ลบคู่หลบคนบเลยปบาดลยหลบไปอยู่ในหลังวัดไปตั้งอกตั้งใจภาวนาดูใจของตอนเองอยู่ตลอดเบื่อหน่ายในชีวิตของตอนเองเพอใสุดได้สาเร็จเป็นพระหรนะันนะนะ ได้สำเร็จเป็นพระราหันแตเนเขาก็ถามท่านท่านท่านท่านรักสมัยท่านเป็นคารวาสเนี่ยท่านรักลูกหญิงหรือรักที่เป็ น, ท, ปนที่เป็นลูกชายที่เป็นพ่อบ้านรักลูกกับเป็นผู้หญิงรักลูกท่านรักคนไหนมากกว่ากันพระโอเนตตอบขึ้นมาเลยเราคำว่ารักไม่มีคำว่ารักไม่มีแล้วในใจของของผม ผมไม่มีความรักเ อ, อไม่มีความรักไม่มีความโกรธโกรธหลงในใจเพราะนั้นจะมาถามเลยว่าความรักเ อ, อกับผมอีกต่อไปพระสงฆ์ทั้งหลายโอ้แสดงว่าพยากรณ์พระอรหันต์เนี่ยอภิกษุอวดอุตตริมนุตธรรมคือธรรมอันยิ่งของมนุษย์ที่ไม่มีในตนต้องปาราชิกเนี่ย เ, เขาพระท่นานหลวก็ติตโจทอบัตรป่าเนี่ยไปกราบพระพุทธเจ้าว่ามีพระองค์นี้เนะี่ย คำว่าไม่มีความรักเราก็คือพระอรหันต์เท่านั้นอันนี้มันพูดได้อย่างไงเป็นพระอรหันต์จริงหรือเปล่ า, ลา ห, รหรือเป็นพระอรหรันต์ฮะอรหันต์ซ้ายอารหันต์ขวากับหน้ากับหลังอรหันต์อย่างไงนี่นี่เป็นพระอรหันต์จริงไปกราบทูลบระพุทธจ้า พ, พุท ธ, ธายาสงฆ์ทางหลายอันนี้คือบุตรของเราเขาเป็นพระอรหันต์แล้วหมดกิจจจา ก, กิเลสแล้วคำว่ารักโลภโกรธหลงไม่มีในใจของเขาแล้ว ความรักไม่มีแล้วในใจของเขาเขาตัดสลัดขาดออกจากใจของเขาแล้วเขาเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วอเป็นพระหรหันต์แล้วพวกเธอทั้งหลายจงเข้าใจพราสงฆ์ทลายกรสาถูกขนาดมีนิสัยอุปนิมีอุปนิสัยพระหรหันต์ทั้งขนาดนี้เนี่ยยังคิดตลดไปตะแลงมาเป็นทั้งผู้หญิงเป็นทั้งผู้ชายได้เนี่ยที่หลวงพ่อพูดว่า ลูกเกิดมาจากแม่แม่รักกว่าคำนั้นอ่ะที่หลวงพ่อเอาคําพูดของท่านพระมหาเถระทรม น, นั้นล่ะมาพูดให้พวกเราฟัง น, นี่แหล ะ, ะการสร้างบุญสร้างกุศลการคิดไปในทางอ ก, กุศลเป็นบาปเป็นกรรมนะพวกลูกหลานคณะสัตธาญาณโยมเพราะนั้นการคิดไปในอ ก, กุศลเป็นบาปเป็นบาปเป็นบาปได้ ทั้งคิดไม่ดีเป็นบาปทำไม่ดีเป็นบาปพูดไม่ดีเป็นบาปทั้งคิดทั้งทำทั้งพูดเป็นอกุศลเป็นเป็นบาปไปทั้งนั้นเพราะนั้นพกเราก็ดีเมื่อได้ศึกษาในหลักธรรมความสอนของพุท ธ, ธะแล้วเราควรจะสำรวมระวังในความคิดมันโนกรรมคิดไม่ดีอย่าคิดว่ายกายกรรมการกระทำทางกายอย่าทำ วจีกรรอยาพูดเนะพราะการทำกรรมการทํากรรมทาได้สามทางมัณโนกรรมกายกรรมวจีกรรมนะวันนี้หลวงพ่อได้พูดแนะแนวให้ลูกหลานได้ฟังได้ศึกษายาวพราะมันควรนะลูกหลานนะพวกกูบาทั้งหลายคงจะหิวข้าวนะแต่แตยังไงก็ฟังฟังเอาไว้นะลูกหลานเพื่อการศึกษาเรียนรู้ข้าวแล้วข้าวเนี่ยเรากินชั้นทุกวั น, ท, วนทุกวันเยอะแล้ แต่หลวงพ่อเนี่ยเช้าหนึ่งหลวงพ่อก็ได้พูดให้ลูกใครหลานได้ฟังได้ศึกษาเป็นแนวความคิดสำหรับพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะอะตอนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรรับพรนะนัตตนีนะ